ว่าใจไม่ได้เสริมใยเหล็กไม่ถูกสเปกคู่กันไม่ไว หัวใจไม่ได้เสริมใยเล็กนอกจางมันเล็กเจ้าทนไม่ไหวแล่นบนหนทางกลางใจไม่ทันไรก็สึกจนเซนิดเดียวน้องเจ้าก็บนไม่ทานทนละเหมือนทีโอเอหัวใจก็ไหวก็เคว กัวใจกว่าไควคว่มแควกนเลยรวนแลจะอยู่หรือจะไปกัวใจน้องมันอยางหนาของข้ามันบางรวมทางไม่ได้เจ้าทำกว่าหลังเกินไปเจ้าทำกว่าหลังเกินไปถ้ารับไม่ได้ไล่ไม่ทัอกัวใจไม่เด็กเสร วันนารับทานไม่ อ, อกาถนนหัวใจมันโทนมันตายไม่สาบายไม่ถึงใจละนาบนรักเธอมันลื่นจนลลนรักเธอมันลื่นจนลนน ล, จนลนก็สุดจะทนจะอยู่หรือจะไป ของข้ามันบางร่วมทางไม่ได้เจ้าทำฝ่าลังเงินไปเจ้าทำฝ่าลังเกินไปถ้ารับไม่ได้ไล่ไม่ทันหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กไม่แร่งย่างเพีน ว่าใจมันโคนมันสายไม่สาบายไม่ถึงใจละนาบนรักเธอมันลื่นจนลน้นรักเธอมันลื่นจนล้นก็สุดจะทนจะอยู่หรือจะไป